เพื่อให้นักจาริกสแสวงบุญได้บูชาบวงสวงต่อเทพเจ้ายอดสถานเทวยัยมองดูจากตีไกลั้มรถดันกันระเกะระกะไปทั่วจริงสินะภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ซึ่งเหมือนกับที่ฝันเห็นไม่มีผิดนี่เองถ้าไม่เชื่อมั่นยิ่งขึ้น รัตปานีที่พบระหว่างทางคือลีลาวดีแต่ก็ยังไม่ปรงใจเชื่อสนิทนักจนกว่าจะเข้าไปพิสูจน์ในคฤหาสของเธินในพระนครดูถาทางกันดารร้อนรนไม่ลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาให้เย็นกายสบายใจสะหน่อยหรอกหรออตาตมากำลังคิดอยู่ถ้าเช่นนั้นก็เชิญท่านสมัหนนะัก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 เดินหายไปในเครือหาดหลังนี้ถ้าเช่นนั้นเป็นความจริงไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วนี่คือบ้านของเมติยะเสรษฐีบิดาของลีลาวดีแน่ๆแต่รัตปา น, นีก็คือลีลาวดีจริงๆริงลีลาวดีผู้น่าสงสาร สูจนความจริงตามที่ฝันจนพบแล้วก็ย้อนกลับมาฝั่งแม่น้ํำคงคาอีกจุดประสงค์ก็เพื่อจะชมทิวทัศน์แม่น้ํำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆดูเหมือนจะดําเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำเย็นแล้วตามริมฝั่งแม่น้ำเลึ่นั้นนไปได้ฝูงชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยลงอาบน้ําชําระกาย เดินฝา่าฝูงชนไปได้เรื่อยท่านสมณะอุบาสกนั่นเองนึกว่าจะไม่ได้พบกันจะแล้วหลังจากอาบน้ําแล้วท่านก่อหายไปอัตมาเข้าไปในนครไปเดินดูความเจริญของบ้านเมืองแล้วทําไมกลับมาที่นี่อีกละ่ะอัตมาอยากจะมาดูทิวทัศน์แม่น้ําคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆตุ้มมันว่าจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ บนชายฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งนี้ถูกแล้วมีอยู่ตลอดเวลาให้เห็นหนูนเห็นไหมละ่ะคนกุมได้นั่งแวดรอมสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นท่านหมายถึงอะไรโยคียไงละ่ะเข้าไปใกล้ๆให้เห็นทันหนักเถอะเทือว่าท่านเห็นแล้วจะต้องถึงอ่อเห็นชัดหรื อ, อยังโยคยีตนนั่นกำลังทำอะไรอยู่โยคยีนอนอยู่บนหนามกองใหญ่ด้วยอาการสงบ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 ม้าเป็นหญิงสูงอายุนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกําลังอ่านคัมภีรพระเวทได้ท่วงทานองอันไพเราะน่าชวนฟังผู้คนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งตอนหนึ่งคนฟังก็ยกมือท่วมหัวเป่งสาธุการโยนเหรียญใส่ภาชนะที่วางอยู่ขา้างหน้าพราหมณ์แก่เป็นเครื่องบูชา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 ผลที่ได้รับคือทุกขเวทนาทางกายและทางใจส่วนอาตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับคือความสุขสบายทั้งกายและใจท่านสมนานะระวังถอยขามไว้ด้วยโยคีได้ยินที่ท่านพูดแล้วหันมามองด้วยสายตาคุนเครื่องเอาเรื่องที่เดียวงั้นไปทางอื่นเถอะ คนกลุ่มนั้นยืนมองดูโยคีอีกลส้สิอุบาสกถูกแล้วท่านสมณะโยคีคนนี้มาแปลกนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นหินท่านคงไม่รู้รลกว่าโยคีคนนี้จะกลิ้งตัวไปแทนเดินกลิ้งตัวแทนเดินเขาทําได้แหละแต่ว่าเขาได้พิสูจน์มาแล้วด้วยการกลิ้งตัวเดินทางมาจากเมืองสาเจตโดยไม่ลุกขึ้นเล ย, ยนั่นแหละไม่ลุกเดินเลยดูตามตัวเขาสิ เต็มไปด้วยร้อยด่านและบาทแผลฟุ่นละอองเกละกลางไปหมดคนที่ยืนดูตา่างไหว้ด้วยความเรื่องใสโยนเงินทองและเครื่องประดับลงไปรอ บ, รบรีบตัวเขาเป็นกองใหญ่ทีเดียวเดินดูต่อไปถึงท่านสามัก มาถึงขั้นบันไดเห็นชั้นล่างตั้นอะไรกันดูแลแต่ซากศพคนตายเป็นจํานวนสิบวางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินท่านธรรมาเห็นซากศพกันไหม่ะเห็นแล้วกําลังสงสัยอยู่ทําไมถึงมากมายนะักและทําไมนํามาวางเรียงรายอยู่อย่างนั้นลันแหละเพื่อรอบการเผา ถึงกับต้องนำมารอกันเชียวละ่ะทําไม่นามารอเรียงแถวเห็นจะไม่มีทางได้เผ่าเพราะว่ามีศพมากมายหลือเกิดจริงสินะศพมีจํานวนมากมายแต่และศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีแล้วพวกที่ร้องไห้คําควรวญอยู่นั้นเห็นที่จะเป็นพวกญาติถูกแล้วท่านสมานักนอกจากจะร้องไห้คําควรวญด้วยความอะไรรักแล้ว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 รู้สึกว่าศพทั้งสองยังหนุ่มสาวสดชื่นปีญาติพี่น้องมาชมนุมกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นหรืออุบาศกข้าพเ จ, จ้าไม่รู้ลองถามชายคนนั้นดูอาจจะรู้เออในแด่ท่านท่านสมณนะภู้นี้อยากจะทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนุ่มสาวขู่นั้นมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามาเรื่องอะไรอุบาศกมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคําว่าชาติวันนะ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 นั่ น, นจะไปไหนะ่ะท่านสม น, นะราองอาภัเจ้าด้วยท่านสมณนะคืนนี่จะพักที่ไหนตายตนใสใหญ่นี่แหละอุบาสกทำไมไม่ไปพักที่เทวสถานนั่นละ่ะท่านสมณนะเทวสถานไหน ริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นยังไงอาตมาพักใต้ร่มไส่นี่ดีกว่าท่านสมณะจะพักได้ยังไงในเมื่อไม่มีหลังคาป้องกันน้ำค้างอาตมาจะปักกรดพักอ๋อปักกรดจริงสินะข้าพเจ้าลืมไป น, นะผู้คนมา ม, มากันแล้วจริงสินะผู้คนทุกเพศทุกวัยมากันทำไมมาอาบน้าชำระร่างกายในแม่น้ำคงคา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 ไปสิตัวมาส่ สมณะเห็นอะไรบ้างเทวรูปตกแต่งด้วยเครื่องอันมีค่าถูกแล้วท่านสมณะในบริเวณรอบๆ ร, ร, รัวเหล็กเต็มไปด้วยประทีปเนยสดและดอกไม้ทุกเทียนดอกไม้ถูกเทียนราล่านั้นประชาชนนำมาบูชาเทวรูปทรงควันและกลิ่นตลบไปหมดท่านสมณะหายใจใไม่ออกแล้สิอัตมาหายใจออกแต่ว่าหายใจไม่คล่องเท่านั้นด้านไหนละ่ะ พระผู้รักษาเทวสถานกำลังทำพิธีสงสนารนองค์เทวีรูปทำพิธีอยู่ที่ไหนรังม่านกันนั่นไะทำอยู่กับใครเพียงรำผางคนเดียว<ม>คน<ม><ม>อื่นเข้าไปไม่ได้<ม><ม>นั่นเสียงอะไร<ม><ม>ครา ม, มสวดมนุษย<ม>์ประชาชนที่มาได้ยินแต่เสียงสวดมนุ์อย่างเดียวแต่มองไม่เห็นพราหม์ผู้นั้นนะถูกแล้ว สิงกระดิกอะไรพราหมณ์คนนั้นเป็นคนสัน่นแสดงว่าการสวดมนต์ได้สิ้นสุดลงแล้วหมายความว่าการสงสนานองค์เทวรูปก็เสร็จสิ้นเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วแต่วนั่นผู้คนกนำลังทําอะไรนั่งคุกเข่าชะเง้อคอเหมือนกับว่าจะคอยดูอะไรสักอย่างไม่ผิดรับท่านสมณะผู้คนเหล่านั้นกําลังกระหายจะได้ชมพราหมณ์นะพราหมณ์โผล่ออกมาจากหลังม่านแล้ว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 อะไรรลเเาต่างต้องการที่จะเข้าไปหาพรามดูสิต่างถูมือกันสาร่อนทีเดียวเพื่อต้องการอะไรล่ะนั่นไงล่ะพรามหยิบเศษดอกไม้ใบไม้และสิ่งอื่นอืออกจากถาดใส่มือที่ชูส่อนทุกคนอย่าย้ออคันถ้าร้องว่าจะได้ของศักดิ์สิทธิ์ให้ทั่วถึงกันนั่นแหละของศักดิ์สิทธิ์ ถูกแล้วท่านสมณานะของเหลัานั้นประชาชนถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถ้าของที่ได้รับแจกเป็นของกินเช่นเสรผลไม้ก็ย้อนเข้าปากเคี้ยวทันทีอานั่นไงล่ะหลายคนเคี้ยกินกันถ้าไม่ใช่ของกินนะอุบาสกก็จะยกของขึ้นจบเหนื้อหัวแล้วก็เก็บไว้เป็นเครื่องสักการะบูชา น, น่าสงสารเด็กและผู้หญิง ไมสามารถจะเข้าไปยือแย่งเอาของศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ต้องห่วงหรอกแย่งของไม่ได้ก็ได้อย่างอื่นแทนได้ของอะไรแทนเหรออุบาสกนั่นไงละ่ะเรากาลังจัดการไทยแล้วต<อ>ิดน้ำในบ่อทองเหืองให้ดืม่มถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มกินแล้วรูปหน้ารูปตาเพื่อความเป็นสิริมงคลตออไป อ, ออกไปข้างนอกกันเถอะอุบาสก